ไปเพื่งพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจอย่าไปทำงานอย่างอื่นนั่งนิ่งนิ่งสำรวมใจไว้ภายในนี่เรามารวมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึก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 เพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์กับร่างกายอันนี้เมื่อร่างกายนี้มันวิบัติแปลโพนไปจิตนี้ก็เดือดร้อนเพราะไม่รู้เท่าเอต่ไม่รู้เท่าเพราะไม่ได้พิจารณาบ่อยๆขาดการพิจารณาคนส่วนหลายก็วหล่ากวารภ่าวนาาวนา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 พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ว่าอายังโขเมกายโยนี่กายของเรานี่แหลอุดทางปาัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามักาเมืองตามแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบอุโรนานปะการัสิอาสุจีโน เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกษาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนักขาคือเล็บดันตาคือพันตะโจคือหนังเหล่านี้เป็นต้นทรงสอนให้พิจารณาอาการสามสิบสองนี่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 ไปปรพฤติผิดมิตรฉาจานกรรมทำชู้จากเมียทำชู้จากผัวนั่นะหมายความว่าไปเล่นหญิงอื่นจากเมียของตัวเองถ้าผู้ชายก็ดีถ้าผู้หญิงก็ถ้าผู้หญิงก็ไปซ่องเสพกับชายอื่นทิ้งทอดทิ้งสามีของตนไว้เบื้องหลัง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 มันหลงเข้าใจผิดไปอย่างนั้นมันจึงได้เกิดโลภตันหาขึ้นมากมายจนไปทำผิดศีลผิดธรรมสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองอยังมีซ้ำก็มีวาจาก็ไม่รู้จักสำรวมวาจาอยากพูดอะไรก็พูดไป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 พูดกระทบกระทั่งผู้อืนออ่นขาดเมตตากรุณาทำอย่างไรจะให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนกอแสดงออกไปพูดออกไปเนี่ยมันก็มาจากใจที่มันโกรธนั่นแหละมันผูกโกรธไว้ในใจบุคคลผู้มีความโลภแล้วมันก็อย่างว่าเหออ็นเขาส่องเสพสุราเมรัย โฟนรำขับร้องสนุกสนานก็นึกว่ามันจะดีเกิดอยากขึ้นมากับเขาแล้วก็ไปซ่องเซฟกับเขาไปทีแรกมันก็เอานิดนิดหน่อยๆน่อยไปก็เมาหลายครั้งหลายหนเข้าไปเอานิดหน่อยไม่พอต้องเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนี่ในสูงก็ติดงอมแงมไปเลยไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้เออ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 มาพยายาม เ, าเพ่งพิจารณารูปธรรมนามธรรมนี่ให้เห็นโดยแจม่มแจ้งด้วยปัญญาอันยิง่ง <Okay. S 2> ถ้าเห็นตามสัญญาเฉยๆมันไม่เบื่อไม่นายามันไม่คิดจะปรงจะวางขอตามสัญญาความจำหมายนี่ มันแทรกอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเอมันแทนที่ว่าจะเพ่งพิจารณาให้เป็นอสุภะกรรมฐานเอาพบเพ่งไปแนละ้วมันเป็นสุภะไปซะแล้ววันนี้เอมันเป็นของสวยของงามไปสัญญาอันนั้นนะ่ะนั่นมันไม่ใช่เป็นของอสขสขโสดก็ปลุกโศคล่อกอะไรนะไม่แล้ว มันกลายเป็นของสวยของงามขึ้นม า, านี่เรียกว่าเพ่งพิจารณาโดยสัญญาเฉยๆไม่ได้พิจารณาด้วยปัญญาถ้าเพ่งพิจารณาด้วยปัญญามันต้องทำใจนี้ให้สงบเป็นหนึ่งลงไปก่อนทำอย่างไรใจมันจะเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เอาเลยเพ่งเข้าไป หายใจเข้าก็รู้หายใจออกมาก็รู้ความรู้อันนั้นแ่ะคือจิตหรือใจนี่ไม่ได้หมายเอาอย่างอื่นนะคำว่าดวงจิตดวงใจนี่หมายเอาความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละก็ล้วก็รู้อยู่แล้วว่าดวงจิตนี่ไม่มีรูปร่างอะไรเลยนะ ไม่มีสิสไม่มีสีสันวันนะไม่มีสันฐานสูงต่ำดำขาวอะไรไม่มีเลยนั่นเอลองสันนิฐานดูก็มีแต่ความรู้สึกอย่างเดียวนะนั่นดะนั้นทุกคนก็มีความรู้สึกอยู่ในร่างกายนี่เหมือนกันหมดเลยถ้าหมดความรู้สึกอันนี้แล้ว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 นามรรมก็เรียกนั่นแหละหมายความว่าเป็นธรรมที่มีแต่ชื่อไม่มีรูปร่างสันฐานอะไรที่นี่เมื่อจำแนกเป็นอาการออกไปแล้วมันก็มีอยู่สีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่อาการของจนะิตแล้วมีอยู่สีอย่างเนี้ย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 หรือว่าจิตนี้เมื่อได้มาอาศัยอยู่รูปร่างอันนี้แล้วมันก็สัมผัสกันแบบนี้นะมันถูกต้องกันกายมันก็สัมผัสกับดวงจิตนี้ให้เกิดความรู้สึกขึ้นถ้าว่าร้อนมาอย่างนี้นะความร้อนอันนั้นมันก็มันซึมซาบเข้าไปถึงดวงจิตนุ่นดวงจิตก็รู้สึกว่าร้อน รู้สึกว่าร่างกายนี่ร้อนอย่างนี้แหละกายวิญญาณวิญญาณทางกายทีนี้วิญญาณทางกายนี่มันก็ออกมาจากกิดมันแผ่ซ่านออกมาจากดวงขีดนั้นมาซึมซาบอยู่ทั่วร่างกายอันนี้นะความรู้สึกอันนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อความร้อนมาสัมผัสเข้าอย่างนี้มันก็รู้สึกร้อนอ่าเป็นอย่างนั้น ถ้าหนาวมาสัมผัสก็รู้สึกว่าหนาวถ้าอะไรมาถูกต้องกายนี่อย่างรุนแรงมันก็รู้สึกเจ็บปวดอันนี้แหละพระพุทธเจ้าก็บรรยติว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็เกิดจากสัมผัสนี้ทั้งนั้นแหละ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 อันนี้นที่พระพุทธเจ้าสอนแสดงไว้ในพระธรรมคุณณโอปัญญิโกให้น้อมสติเข้ามาหากายหาใจนี้ควบคุมใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วเพ่งดูรูปประธรรมนามธรรมอนี้ให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นว่าเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลแล้วอย่างนี้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 มันก็ปรงก็วางลงไงมันปรงมันวางลงได้เท่าใดจิตใจก็เบาปลอดปรงไปได้เท่านั้นเนี่ยไม่หนักไม่น่วงไม่อึดอัดเพราะว่าไม่ได้ถือมั่นอะไรอะไรเลยว่าเป็นของตัวเอง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 เช่นนี้สร้างแต่บุญแต่กุศลบุญกุศลก็ น, นําชีวิตนี้ไปอย่างราบรื่นไม่ได้ประสบความวิบัติขัดข้องไม่ได้ประพบกับความทุกข์ความเดือดร้อนใจได้พบแต่ความสุขความสบายใจเหมือนอย่างหมูคนคนั่งอยู่ในเรือนิ่งๆไม่ไม่ไม่เคลื่อนไหวไปมา ทำให้เรือล่มลงกลางแม่น้ำํำเรือนั้นมันก็วิ่งไปถึงฝั่งโน่นได้โดยสวัสดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมือเ่อผู้ใดเพียรพยายามละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นความชั่วออกจากขิตใจเนี่ยให้หมดไปสิ้นไปได้ออมันเหลือแต่บุญแต่กุศลแต่ความดีแต่คุณธรรมอันดีงามอยู่ในใจ เช่นเมตตากรุณาอย่างนี้นะความอดทนความผากเพียนพยายามโมนี่คุณธรรมเหล่านี้ต้องให้มีอยู่ในใจเสมอหรือว่าฮิริโอตปะธรรมความละอายต่อความชั่วละอายในการที่จะทำความชั่วต่างๆทั้งในที่รับตาคนก็ดีหรือในที่แจ้งต่อหน้าคนทั้งหลายก็ดี ก็ไม่ทําความชั่วในที่นั้นนั้นเพราะมากลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่คุณธรรมสองอย่างนี้ก็จําต้องมีอยู่ในใจเสมอเสมอถ้าผู้ใดทอดทุเลาคุณธรรมสองอย่างนี้ไม่สร้างให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วรับรองไม่ได้เลยว่าผู้นั้นจะไม่ทําบาป <c oughs> พระอริยบุคคลหรือว่านักปราชทั้งหลายนั้นท่านย่อมมีคุณธรรมสองอย่างนี้ประจําใจเสมอไปเพราะฉะนั้นนักปราชทั้งหลายท่านจึงไม่ทําความชั่วท่านทําแต่ความดี <c oughs> <c oughs> คิดอะไรพูดอะไรทําอะไรก็ต้องให้เป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วย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 เช่นทำสมาธิภาวนาอย่างนี้นะเอาสมาธิยังสูงท่านก็หมายเอาสมาบัตแปดนั่นรูปฌานสี่อรูปฌานสี่นี่แหละเรียกว่าสมาธิยังสูงนะก็เมื่อเราบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สามารถที่จะบำเพ็ญสมาบัตแปดอย่างนั้นให้เกิดขึ้นได้แล้วก็บำเพ็ญสมาธิ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 ท่านผู้มีภูมธรรมกวงขวางาบำเพ็ญกุศลอย่างกวงใหญ่ไพศาลมาท่านก็มีกำลังมากานั่นแหละพูดถึงการเจริญสมาธิภาวนาท่านได้ฝึกเพ่งกสินชาญมาจากก่อนเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาอย่างนี้พอ เกิดมาในชาติสุดท้ายที่ได้มาพบพระพุทธเจ้าน่นะก็ได้ออกบดจเจริญภาวนาไปไม่นานก็ได้บรรลุฌานสมาบัติเพราะเคยได้ทำมาแต่ก่อนจนชำซองเมื่อได้บรรลุฌานสมาบัติแล้วท่านก็จเจริญวิปัสสนาต่อมันก็ปัญญามันก็แหลมคมอย่างเลิศทีเดียวอะ อาศัยสมาบัติแปดนั่นแะเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาพิจารณาเห็นอะไรก็ละเอียดแล้ว อ, อได้มากเพราะว่าคำว่าชาญนีนหมายความหมายถึงความเพ่งนั่นแหละใจของท่านแน่วแน่เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะท่านเพ่งดูอะไรมันก็เห็นแจ้งอันนั้นเลยตามเป็นจริง ของละเอียดเท่าใดท่านก็เพ่งเห็นได้กิเลสนี่มันก็ละเอียดไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแต่ต้องอาศัยฌานวิปัสสนางานอันเกิดจากฌานสมาบัตินั่นแหล ะ, ะเป็นบาทททำให้รู้แจ้งในกิเลสอันละเอียดทุ ข, ขุมนั่นได้ะละกิเลสอันละเอียดได้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 อืมเอาเราจะถางป่าป่านี่มีอยู่ไร่หนึ่งองนี้นะอยาวยี่สิบวาอย่างงี้นะก็ก็ถางไปเรื่อยๆอยู่อ่แล้วก็ใจมัน ก, ก็กำหนดแล้วว่าถ้าเราถางไปไม่ถอยนี่มันก็ทองได้ยี่สิบวาแน่นอนเลยอย่างงี้นะ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 บุญบารมีไม่เต็มบริบูรณ์หมดอายุสังขารเสียก่อนมาเนี่เอเมื่อเกิดไปในชาติหน้าเอาไปได้พบพุทธศาสนาอีกได้ฟังคำสอนของตัวเจ้าแล้วลงมือปฏิบัติไปต่อจากนั้นไปอีกไม่มากมันก็เต็มลงได้แบบ น, นี้นะ อ, อินทร์บารมีนะี่ยมันก็เต็มลงได้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 อันอันผู้รู้ทั้งหลายท่านไม่ทําแบบนั้นนะอันนี้ท่านรู้ท่านรู้เรื่องของตัวเองอย่างว่ามาแล้วนั่นแหละรู้ว่าตนเองนี่อินทรีย์ยังไม่แก่รอบจะทํายังไงยังไงมันก็หลุดไปยังไม่ได้เราต้องอบรมอินทรีย์ให้มันแก่กล้าขึ้นไปสัตทินทรีย์อินทรีย์คือความเชื่อก็ให้มันกล้าขึ้นมั่นคงไปวิริยทรีย์ความเพียรก็ให้มัน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 <c oughs> อันเหตุเบื้องต้นนั้นเรากำหนดรู้ใจตัวเองแล้วว่ามันหลงมันหลงรูปหลงนามอันนี้อยู่อย่างนี้นะมันถึงได้เป็นทุกข์มันถึงได้ถูกตันหาครอบงาจิตอันนี้ให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดลงได้นี่เนี่ยถ้าบุคคล ได้ไปตกเป็นธาตุแห่งตัญหาอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ไปทํากรรมดีบ้างทํากรรมชั่วบ้างแนะบ้า น, นี้นะัอน อ, อกรรมดีกรรมชั่วนั่นในบัา น, นี้มันก็เป็นชนะกะกรรมนําดวงกิจนี่ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอื <c oughs> ไม่ใช่ว่าทํากรรมดีกรรมชั่วแล้วจะไม่มีผลตอบสนอง ไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เหมือนอย่างในปัจจุบันนี้นะเราเห็นกันได้บุคคลทำความชั่วเช่นล่วงกฎหมายบ้านเมืองไปลักไปช่อไปปล้นไปชี้เอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อเจ้าหน้าที่เขาจับได้อย่างนี้เอาไปฟ้องร้องก็ต้องติดคุกติดตารางไปนี่แหละผลแห่งความชั่ว มันก็เห็นได้ในปัจจุบันอย่างนี้นี่เออเดวจะว่าทำบาปไม่ได้บาปอย่างไรแล้วเนี่ยสิงอยู่ทำบาปบางอย่างเนี่ยมันไม่ขัดต่ อ, อ ก, กฎหมายมีอยู่เนอย่างฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบนี้นะถ้าว่าไม่ไปฆ่าสัตว์ที่มีเจ้าของห่วงแหนอยู่อย่างนี้ถ้ากฎหมายเขาก็ไม่เอาโทษอย่างนี้เลย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 แต่มันไม่ใช่ว่ามันมันหายไปนะบาปกรรมอันนั้นนะมันติดสอยห้อยตามไปอยู่งั้นเลยเพอมันได้โอกาสเมื่อใดแล้วมันก็ให้ผลเมื่อนั้นนะมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอ่างตรัว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์พี่น้องติดตามมาติดตามไปอนะ่เป็นอย่างนั้นนี่พระ อ, องค์เจ้ารู้แจ้งอย่างนี้แล้วจึงได ทรงแสดงเป็นพระบาลีว่าอย่างนั้นนะแต่คนบางคนบางพวกมไม่ไม่ใส่ใจเลยไม่เอาไปคิดไปตรองนะ uh. เอเดนมันถึงได้ไม่เชื่อ uh. จึงได้ทำบาปไปเรื่อยๆรื่อย <c oughs> เห็นว่าทำลงไปแล้วมันไม่ได้ไปติดคุกติดตารางอะไรเลยก็เลยถือว่าไม่ได้เป็นบาป uh. อันความรู้อย่างนี้เนี่ยมัน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 ของใครของเราเหมือนกันหมดเลยในโลกอันนี้<ห>ดังนั้นเมื่อเมื่อผูใ้ใดไปทําบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เกิดร้อนแล้วเช่นนี้ไอการกระทาเช่นนั้น่ะมันจะไม่มีผลตอบสนองในภายหลังนะไม่มีต่างแต่ว่าอาศัยการเวลาเท่านั้นเองนะเมื่อไม่ถึงการเวลาที่มันให้ผลน่ะมันก็ยังให้ผลไม่ได้ก่อนก็เคยพูดมาแล้วบ่อยๆอยู่เหมือนกันเลย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 ถ้าเป็นกรรมดีอย่างประเสริฐที่ท่านเรียกว่าโลกุตระกุศ อ, อ์มันก็นาให้ไปเกิดสวรรค์บ้างนาให้ไปเกิดพรหมโลกบ้างนาให้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน เ, ออเช่นพระโสดาบันอย่างนี้ก็นำให้ไปเกิดสวรรค์ออพระจักกิทาคามีก็เหมือนกันไปเกิดสวรรค์พระอนาคามีก็นำให้ไปเกิดใน สุธทวาสพรหมโลกไปอย่างั้นท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วโดยประการทั้งปวงเมื่อหมดอายุสังขารแล้วท่านก็เข้าสู่พระนิพพานเป็นอันว่าไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกต่อไปสวยคความสุขอยู่ในพระนิพพานตลอดนิรันดรไปอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละวิถีชีวิตของคนเรา